พุทธศิลปะยุคพระเจ้าอาโศกสร้างพระสถูวแปดมืนสี่พันในตำนานฝ่ายบาลีและฝ่ายสันสกิตกล่าวตรงกันว่าพระเจ้าอาโศกโปรดให้สร้างสถูปเจดีแปดมืนสี่พันองค์ทั่วพระราชอาณาเขต คำภีมหาวังสะเล่าว่าพระเจ้าอโศกตรัสถามพระโมคคลริบุตรติสสะเถระว่าพระสัตธรรมมีอยู่สักเท่าใดพระเถระเจ้าวิสัชนาว่าพระสัตธรรมของพระบรมศาสดามีองค์เก้าประการแบ่งเป็นขันคือหมวดกองแปดหมพันพระธรรมขันพระเจ้าอโศกจึงเกิดพระราชศรัทธา ใกล้จะสร้างพระสถูปเท่าจำนวนพระธรรมขันธ์จึงสละราชทรัพย์จํานวน96โกโให้คนอื่นไปเที่ยวสร้างสถูปตามสถานที่พระพุทธองค์เคยเสด็จประทับและตามหัวบ้านหัวเมืองต่างๆพร้อมกับให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุอันเชิญไปบรรจุไว้ในพระสถูปด้วยเท่าจำนวน8 4 0 0 0พันเพราะในพระนครปาลิบุตรซึ่งเป็นราชธานี โปรดให้สร้างพระวิหารใหญ่ชื่ออโศการามมีความวิจิตงดงามภายใต้ความควบคุมดูแลของพระเถระหนึ่งชื่อพระอินทขุธเมื่อสร้างสำเร็จแล้วก็มีงานฉลองสมโพธอย่างคลึกครื้นเจ็ดวันทั่วพระราชะอาณาจักรส่วนในคำพีอโศกอวัฏานเล่า ว, ว่าพระเจ้าอโศกโปรดให้เปิดกรุพระบรมธาตุ ซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูบรรจุไว้ในสถูปใหญ่ด้านทิศตะวันออกของเวลุวันวิหารแล้วโปรดให้แบ่งส่วนพระธาตุเที่ยวบรรจุไว้ในสถูปที่พระองค์ทรงสร้างใหม่ทั่วชมพูทวีปจำนวน8 4 0 0มืพองค์เมื่อสร้างสถูปวิหารนี้ควรเชื่อถือได้ว่าเป็นความจริงโดยแท้พระสถูปโบราณที่ปรากฏในอินเดียจนกระทั่งบัดนี้ สร้างครั้งพระเจ้าอาโศกเสียแหลกมากในจดหมายเหตุธรรจาริกของสมณะจีนที่เดินทางไปอินเดียครั้งปุริมการมีจดหมายเหตุของสมณะฟาเฮียนสมณะเฮียงจังและสมณะอี้จิงทั้งสามท่านล้วนกล่าวถึงพระสัตรูวิหารของพระเจ้าอาโศกในบันทึกเรื่องประวัติของสมณะเฮียงจัง ซึ่งเป็นนักธรรมจาริกเดินทางเข้าไปในอินเดียเมื่อพุทธศตรวตรรษที่11เล่าไว้ว่าพระสถูปเจดีย์ของพระเจ้าอาโศกมีปรากฏตั้งแต่เมืองตั ก, กศิลาทิศเหนือของอินเดียลงไปจนกระทั่งถึงแคว้นมลกูฏใต้สุดของอินเดียลักษณะสถูปมักจะสร้างเป็นอิฐและสิลาทำเป็นรูปทรงบาตควา่าตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม โดยรอบฐานจะมีที่เดินทําประทักษิณได้ส่วนบนองค์สถูปก็สร้างเป็นฐานสี่เหลี่ยมคล้ายกับจะให้เป็นบัลลังก์แล้วสร้างเป็นชัดปากไว้บนบัลลังก์นั้นอีกต่อหนึ่งรอบพระสถูปมีบริเวณที่ให้ทําเป็นรั้วเขตรอบสลักศิลาเป็นรูปเรื่องพระพุทธประวัติหรือเรื่องราวในชาดกภาพจำหลักนั้นงดงามมากนักหนาทาให้เราทราบศิล ป, ปะ กระบวนช่างในยุคของพระเจ้าอโศกว่าจเจริญรุ่งเรืองเพียงไรแต่มีที่ควรสังเกตอยู่ข้อใหญ่ว่าภาพของพระพุทธศาสนานั้นมิได้ปรากฏภาพพระพุทธรูปเลยทั้งนี้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานว่าเป็นด้วยชาวอารยันในสมัยโบราณไม่นิยมการสร้างรูปเคารพชาวอารยันเพิ่งจะมาคิดสร้างรูปเคารพขึ้น ก็ตอนที่ติดต่อถ่ายเทอริยธรรมกับพวกกรีกภายหลังแม้สมัยพระเจ้าอาโศกจะมีการติดต่อสัมพันธ์กับพวกกรีกแล้วก็จริงฉะนั้นภาพและพุทธประวัติจึงปรากฏจากภาพพระพุทธรูปแต่ช่างในยุคนั้นก็มีวิธีแสดงภาพให้เราเห็นได้เช่น 1. ภาพประสูดจำหลักเป็นภาพพระนางสิริมหามายาประทับยืน พระกรเหนี่ยกินต้นสาระไม่มีรูปพระกุมารสองภาพออกมหาพิเนศกรมจำหลักเป็นภาพมา้ากันทะกะอศวราช์ผูกเครื่องอ่านเปล่าสามภาพตรัสรู้จำหลักเป็นภาพต้นพระศรีมหาโพพรึกภายใต้มีวชิระบัลลังก์อาจตั้งอยู่เปล่าเปล่ามีรูปพยามารผจนและนางธรณีปรากฏอยู่ บางทีก็ไม่มี 4. ภาพแสดงปฐมเทศนาจำหลักเป็นภาพวงล้อมพระธ ร, รมจักรมีรูปกวางหมอบอยู่ข้างๆรูปพระธ ร, รมจักรและกวางหมอบนี้ในวัดประเทศทิเบตมักนิยมนำไปสร้างเป็นที่ประดับบนหลังคาพระวิหารทำนองเดียวกับวัดในประเทศจีนมักนิยมสร้างเป็นมังกรชิงแก้วห ภาพเสด็จดับขันท้ปรินิพานจำหลักเป็นภาพอสนะเปล่าระหว่างต้นสาละมีรูปพระสาวกประกอบหรือบางทีทำเป็นรูปพระแทน่นนอกจากนี้ศิลปะยุคพระเจ้าอาโศรายังอาจเห็นได้จากหัวเสาสิลาจารึกของพระองค์เช่นหัวเสาสิลาจารึกที่สารนาชจำหลักเป็นรูปพญาสิงห์สีตัว ยืนหันหลังให้แก่กันบ่ายหน้าไปทางทิศทั้งสี่อันหมายถึงธรรมมาสิงหนาฏแผ่กล้องทั่วจตุรทิศใต้าฐานทำเป็นรูปธรรมจักรมีซี่ระหว่างจักมีรูปสัตว์สีตัวคือสิงโตม้าช้างและโคแล้วก็มีบัวรับต่อเชื่อมกับเสาหินอีกทีหนึ่งลักษณะของภาพจำหลักดังกล่าวนี้วิจิตรการตาราวกับมีชีวิต หินก็ขัดกลาวจนเกิดวาวและเคลือบด้วยน้ำยาชนิดหนึ่งซึ่งจนบัดนี้ก็ยังค้นคว้ากันไม่ออกว่าเป็นน้ำยาอะไรความสง่างามในศิลปะวิจิตรชิ้นนี้โดนบันดาลให้รัฐบาลอินเดียต้องนำมาใช้มาตราแผ่นดินสำหรับจารึกของพระเจ้าอาโศกนั้นในตำบนที่เป็นเขาพระองค์โปรดให้จารึกไว้กับหน้าผาก็มี แต่เฉพาะที่ค้นพบแล้วทั้งจารึกหน้าผาและเสาศิลารวมสามสิบตัวแหง่งและยังมีการขุดพบอยู่เรื่อยเรื่อยยังมีทั้งหักพังและกระจัดกระจายอีกหลายแหง่งพระมหาเถระยุคพระเจ้าอาโศกคัมพีมหาวังสา ให้ความสำคัญแก่พระโมคคลีบุตรติสเถระมากในฐานะเป็นประธานสงฆ์ทำตติยะสังขยนานโดยพระราชูปธรรมภกของพระเจ้าอาโศกแต่ในคำพีอโศกอวัทานยกความสำคัญให้แก่พระอุปคุปในฐานะเป็นผู้ชักนำพระเจ้าอาโศกเที่ยวเสด็จบูชาพุทธานุสรณียสถาน ส่วนในหนังสือปฐมสมโพธิกถาฉบับไทยพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระประมาณุชิตชิโนรถซึ่งดูจะเป็นหนังสือนำเอาเรื่องราวทางฝ่ายสันสกฤตและบาลีแทรกเจือกันก็แสดงถึงความสำคัญของพระเถราเจ้าทั้งสององค์ในอโศกอวัฏฐานมิได้ปรากฏมีพระโมคคลริบุตรติสเถระเลยแม้เรื่องพระมหิทธะเถระ และเจ้าหญิงสังฆมิตราซึ่งเป็นพระโอรสพระธิดาของพระเจ้าอาโศภายหลังออกบวชเป็นภิกษุภิกษุณีก็ไม่ได้ปรากฏในปรกรณ์ฝ่ายสังสกฤริเช่นเดียวกับความสำคัญของพระอุปคบมีแต่ปรากฏอยู่ในปรกรณ์ฝ่ายบาลีในมหาวังสะกกล่าวว่าจำเดิมแต่สงธรรมทุติยสังายาแล้ว พระสิกขวะและพระจันทวัชชีมาไม่ทันประชุมสังฆยนาต้องรับธนกรรมให้รอคอยสั่งสอนอบรมคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งจะมาฟื้นฟูพระศาสนาในอนาคตการท่านผู้นั้นคือพระโมคคลีบุติสะเถระ ประวัติพระโมคคลีติสสะเถระพระโมคคลีติสสะเถระเกิดในสกุลพราหมณ์แขวงเมืองปาตาลีบุตรเมื่อน้อยได้อบรมเล่าเรียงไตรเพศจนแตกฉานแต่เมื่ออายุได้สิหปีคกราหนึ่งพระสิขวะมาเยี่ยมเยียนบิดาของพระโมคคลีบุตรติสสะกุมารณเรือนที่อาศัยบังเอิญวันนั้นพระโมคคลีบุตรติสสะกุมารเรียนสำเร็จไตรเพศ เดินทางจากสำนักอาจารย์กลับบ้านจึงได้พบปะสนทนากับพระสิขวะได้แต่ถามอภิปรายกันเรื่องปัญหาลึกซึง้งในพระเวทพระสิขวะก็สามารถตอบอาธาิบายได้ทุกข้อทุกกระทงไปครั้นถึงคราวโมคคลีบุตรติสักุมารจะเป็นฝ่ายตอบพระสิขวะก็ยกเอาข้อปรมาถ ธ, ธรรม ในพระพุทธศาสนาขึ้นถามคือยกเอาธรรมในคำพียมกกะโมคคลิบุตรติสากุมารอับจนด้วยตนหาเคยได้ศึกษาพระพุทธศาสนาไม่ความอยากรู้จึงขอเล่าเรียนด้วยพระสิขวะจึงจัดการให้บรรพชาเป็นสมเนอยู่ศึกษากรรมฐานด้วยกับพระสิขวะจนได้บรรลุโสดาปติพน แล้วพระสิกขวะก็ส่งไปให้อยู่ศึกษากับพระจันทวัตชีจำเนียนการล่วงมาเมื่อพรรษาอายุของสเมเณรโมกคลีบุตรติดสะถึงวัยควรอุปสมบทพระจันทวัตชีจึงจัดการให้อุปสมบทได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็เพียรเจริญวิปัสสนาญาณก็ได้บรรลุอรหัตผลในที่สุด ต่อมาท่านเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งซึ่งพระเจ้าอาโศกเคารพนับถือมากได้เป็นพระอุปชาอุปสมบทพระมหิทธะเถระและเจ้าหญิงสังคมิตตาและประธานสงฆ์ทาตติยะสังคยนาดังจะปรากฏพิสดารต่อไป ประวัติพระอุปคุบเถระพระอุปคุบเกิดในสกุลวานิชเป็นบุตรของพ่อค้าเครื่องหอมในเมืองมัทธุราซึ่งเป็นนครตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำยมุนามีพี่น้องร่วมคันสามคนคือพี่ชายสองกับทั้งตัวท่านเองเดิมทีบิดาของท่านได้ให้สัญญากับพระสานวาสีคือสาณะสัมพูต ถ้าว่าตนมีบุตรเป็นชายก็จะให้บรรพชาอุปสมบทครั้นภริยาคลอดบุตรเป็นคนแรกก็หายอมถวายไม้อ้างว่าจะต้องเอาไว้ช่วยดูแลทรัพย์สินในย่าวเรือนจะถวายบุตรชายคนที่สองแทนแต่เมื่อภริยาคลอดบุตรคนรองบิดาก็คงบิด บิดาก็คงยังบิดเบือนอีกว่าต้องเอาไว้สำหรับวิ่งเต้นเก็บหนี้สินตามหัวเมืองเอาไว้มีบุตรคนที่สามเถอะเป็นต้องถวายไปบรรพชาอุปสมบทเด็ดขาดครั้นอยู่มาพริยาก็คลอดบุตรชายมีรูปลักษณะงดงามยิ่งนักบิดาจึงตั้งชื่อว่าอุปคุธแต่บิดาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับสัญญาข้างฝ่ายพระญาวาสีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ถึงเวลาสมควรก็นิ่งเสียหาไปทวงสัญญากับนายพานิชไม่จนกระทั่งอุปคุตเจริญวัยเป็นหนุ่มค้าขายเครื่องหอมที่ร้านขดว่าตั้งแต่อุปคุตมาอยู่ที่ร้านค้าขายเครื่องหอมขายดีเป็นเทน้าเทท่าวันหนึ่งพระสารนวาสีได้แวะเข้าไปในร้านและกล่าวธรรมกิกถาแก่อุปคุตชายหนุ่มเกิดความสลดสังเวชมีดวงตาเห็นธรรม เรานี้พระสานนาสีจึงได้ไปทวงสัญญากับนายพาณิชย์นายพาณิชย์อับจนจึงตัดใจอนุญาตให้อุปคุปออกอุปสมบทได้จำเดิมแต่อุปสมบทพระอุปคุปได้เจริญวิปัสสนาญาณโดยลำดับก็ได้บรรลุแก่อรหัตผลแล้วก็ได้เป็นคณาจารย์สั่งสอนทางสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ในอโศกอวทานว่ามีพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นศิษย์อยู่ถึงหนึ่งมือนำนักอยู่นพัสการามภูเขาอุรุมน์พระเจ้าอาโศกสดับกิติคุณจึงเสด็จไปอารัธนามากรุงปาตาลีบุตรหากพระอุปคุปทราบล่วงหน้าจึงได้เดินทางมาเสกกนโดยทางชลมากพระเจ้าอาโศกจึงโปรดให้ตั้งพิธีต้อนรับพระเถระและเสด็จออกรับเอง ห่างกรุงปารตาลีบุตรสองโยศต่อมาพระเถระได้เป็นผู้นำเสด็จธรรมญาตรานมสการพุทธปูชนียสถานพร้อมกับอธิบายเกี่ยวกับประวัติของสถานแต่ละแห่งด้วยในหนังสือปฐมสมโพธิกถาเล่าว่าพระอุปคุปเป็นพระบรมโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิมีสถานที่อาศัยเป็นปราสาทแก้วอยู่ท่ามกลางทะเลลึก และได้รับนิมนต์ให้ออกมาช่วยปราพยามารที่จะมาทำลายพิธีฉลองพระบรมธาตุเจดีของพระเจ้าอาโศกเรื่องทรมานพยามารก็มีปรากฏในอโศกอวทตานสันนิษฐานว่าท่านจะได้ปราบปรามพวกมิจฉาทิฏฐิในยุคนั้นสำเร็จเท่านั้น ประวัติพระวีตโศหรือพระติสสะเถระนอกจากพระโมคคิีิบุติสสะเถระและอุปคุบแล้วปรากฏว่ายังมีพระเถระองค์สำคัญรองลงมาอีกเช่นพระวิตโศกราชอนุชาของพระเจ้าอาโศ ซ, ซึ่งในบาลีเรียกว่าพระเจ้าติสสะอุปราชฝ่ายสันสกฤตเล่ามูลเหตุเจ้าชายวิตโศกออกพนวดว่า เป็นพระเจ้าชายวีตโศกเกิดความกังขาครางแครงว่าการที่ภิกษุในพระพุทธศาสนาได้รับการบำรุงอุปถรัรมภ์อย่างดีจากพระเชษฐาธิราชจะสามารถละกิเลสได้อย่างไรความทราบถึงพระเจ้าอาโศกพระองค์จิงวางอุบายทรมานพระอนุชาโดยโปรดให้เวนรัชสมบัติให้แก่เจ้าชายวีตโศขึ้นครองแทนมีกาหนดเจ็วัน พ้นกำหนดแล้วจะให้นำเจ้าชายไปสำเร็จโทษเจ้าชายวีตาโศกจำพระไทยขึ้นเสวยราชได้รับการบำรุงดุจเดียวกับพระเจ้าจากักรพรรดิราชทุกประการจนครบเจ็ดวันพระเจ้าอาโศกก็โปรดให้นำเจ้าชายออกเสียจากสเสวตาชตัิแล้วตรัสถามความสุขในเจ็ดวันนั้นว่าเป็นประการใดเจ้าชายวีตโศกทูลว่าไม่เคยรู้สึกสุขสบายเลยแม้แต่นิดเดียว ทั้งนี้ประวัติเกรงมรณภัยจะมาถึงพระมหาราชเลยตรัสชี้แจงให้ฟังว่าแม้เหล่าภิกษุสมณะในพระศาสนานี้ก็ดุดเดียวกันมาดว่าจะได้รับการบำรุงด้วยจตุปัจจัยสี่สมบูรณ์แต่จะหาความรู้สึกลหลงไหลสบายเพราะเหตุเพียงเท่านั้นไม่ได้ด้วยความหวาดเกรงในชาติทุกชาร า, าทุกพยาทิทุกและมรณะทุก ย่อมคุก ค, คามอยู่เป็นนิ้วรันทำให้เจ้ากูทั้งปวงต้องเร่งปฏิบัติธรรมเพื่อรอดพ้นเจ้าชายวีตโศกจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในที่สุดก็ได้ออกผนวดกับพระยะคัสคือพระยศเทระแล้วหลีกไปบำเพ็ญเพียรที่แคว้นวิเทหะในที่สุดก็บรุพระอรหัตผล ส่วนปรกรณ์ฝ่ายบาลีก็กล่าวประวัติไปในทำนองแม้นกันแต่บอกว่าเจ้าชายติดสะอุปรัตอุปสมบทกับพระมหาธรรมรักิตะเทระนาอโศการามเมื่อพระเจ้าอโศกเสวยราชได้ 4, สี่พันษาประวัติพระมหินทระ ในมหาวังสักล่าวถึงพระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าอาโศกออกผนวดว่าคราวหนึ่งพระเจ้าอาโศกตรัสถามพระโมคคะลีบุตรติสสะเถระว่าการที่พระองค์ก่อสร้างบุญกุศลต่างๆในพระศาสนาเห็นปานนี้จะได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาได้หรือไม่พระโมคคะลีบุตรตอบว่ามิได้ ได้เกียรติแต่เพียงเป็นมหาทายกอันวิเศษเท่านั้นแต่ถ้าผู้ใดให้บุตรธิดาของตนอุปสมบทในพระพุทธศาสนาผู้นั้นจึงชื่อว่าได้เป็นญาติกับพระศาสนาพระมหาราชเกิดความเลื่อมใสจึงดำรัสให้พระมหินทระและเจ้าหญิงสังฆามิตตาสองพี่น้องร่วมคันพระมานดาออกอุปสมบทมีพระโมคคลีบุตรและพระอุปชา พระมหาเทวะเป็นผู้ให้การบรรพชาพระมัชชติกะเทระเป็นพระกรรมวาจาอุปสมบทพระมหินทระฝ่ายธรรมบาลีเถรีเป็นพระอุปชาพระอายุบาลีเถรีก็เป็นพระกรรมวาจาเมื่อพระมหินทระและพระสังฆมิตรตาบวชนั้นเป็นที่หก นับแต่พระเจ้าอาโศกเสวย ร, ราชเมื่อพระโมคคลีบุตรติสสเถระเป็นประธานจัดส่งสมณทูตไปเผยแพร่พระศ า, ศาสนาอย่งนางนานาประเทศปรากฏว่าพระมหินทระได้เป็นสมณทูตนำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานณประเทศลังกาซึ่งจะปรากฏพิสดารต่อไปในเบื้องหน้า ตติยะสังคยนาเรื่องพระเจ้าอโศกทมตติยะสังคยนาเป็นเรื่องปรากฏในปรกรณ์บาลีไม่มีในฝ่ายสันสกฤตเลยและนักปราดฝ่ายตะวันตกมีศาสตราจารย์ทอมสัสกล่าวว่าสังคยนาครั้งนี้ทำขึ้นโดยคณะสงฝ่ายวิพัชวาทของลังกาในวีเอสมิตว่า ทติยะสังคยนามีจริงก็เป็นเรื่องสำคัญมากน่าจะมีกล่าวไว้ในสิลาจารึกแต่สิลาจารึกก็ไม่ได้กล่าวถึงเสียเลยจึงเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของชาวลังกาแต่งขึ้นภายหลังศาสตราจารย์เดิมมีความสงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันศาสตราจารย์ออเดิร์ เ, เบิร์ก ก็มิได้รับรองเรื่องพระมหินทระไปเผยแผ่พระาศาสนาในลังกาว่าเป็นเรื่องปรากฏขึ้นจริงอย่างไรก็ดีมหาวาังสะได้ให้ความละเอียดเกี่ยวกับมูลเหตุของตติยะสังคยนาว่าในปีที่แปดจำเดินแต่พระเจ้าอาโศกเสวยราชมาหมู่เดียรถีปราศจากลาบสการะพากันนุ่งห่มดุดภิกษุผู้บวชปลอมเข้ามาอยู่ กับคณะสงฆ์มีจำนวนมากกว่ามากและมาแสดงลัทธิทำให้ผิดคลองพระพุทธบัญญัติกระทําให้สังฆมนทนยุ่งเหยิงแตกสามัคคีด้วยสัทธาปฏิรูปนั้นถึงกับสงไม่ได้ลงประกอบอุโบสถสังฆกรรมอยู่เจ็ดปีในระหว่างนั้นพระโมคคลีบุติสารีกเล่นไปจำวิเวกนาอุโทตังฆบรรพศเบื้อง บ, งบนแม่น้าคงคา ทั้งนี้เพราะได้พิจารณาแล้วว่ายังไม่ถึงการอันควรที่จะ ก, กําจัดศัตรูพระศาสนาและมอบภารากิจบริหารหมู่คณะแก่พระมหินทระให้ว่ากล่าวดูแลแทนในพรรษาที่7พระเจ้าอาโศกจึงโปรดให้อมัดผู้หนึ่งให้ถือคำสั่งไประ ง, งับอธิกรยังคณะสงฆ์อมัดผู้นั้นทำเกินรับสั่ง คือเมื่อไปกราวว่าให้สงฆ์ทําอโบสดสังฆกรรมไม่ได้ผลเพราะภิกษุฝ่ายสัมมาทิฏฐิอ้างว่าไม่อาจปรงใจกระทำสังฆกรรมร่วมกับฝ่ายเดียรถีอมารณนั้นก็มีค่าฟันภิกษุที่ขัดขืนเส้สองสามองค์จนพระติสสารานผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าอาโศกต้องลุกขึ้นจากอาจของท่านมานั่งขวางอมารผู้นั้นไว อมานั้นจึงกลัวเกรงกลับมาทูลเรื่องราวกับพระเจ้าอาโศกพระเจ้าอาโศกเลยเกิดไม่สบายพระทยัยกลัวบาปกรรมที่อมานฆ่าฟันภิกษุจะพลอยได้แก่พระองค์ไปด้วยจนถึงกับต้องไปอาราธนาอัญเชิญพระโมคคิรบุตรติสสะเถระมาตัดสินและทำพิธีต้อนรับพระโมคคิบุตรติสสะเถระทานองคล้ายครึ้กับพิธีต้อนรับพระอุปคุ ในอโศกอวัตานพระโมคคีบุตรท่านก็เดินทางมาโดยชลมากดุดกันพระเถระได้ทำลายข้อกังขาและความวิปฏิสารของพระเจ้าอโศกว่าการฆ่าฟันภิกษุเป็นบาปเฉพาะอมารเท่านั้นเพราะทำเกินรับสั่ง พระเจ้าอาโศกก็เลื่อมใสอรัธนาให้ท่านเป็นประธานสงฆ์ชำระพระาศาสนาให้บริสุทธิ์พระโมคคิริบุตรจึงพำนักอยู่ณอโศการามวิหารแล้วพระเจ้าอาโศกก็โปรดให้ประกาศชุมนุมสงฆ์จากจตุรทิศมารวมกันณนะอโศการามให้พระโมคคิริบุตรท่านได้ไต่ถามลทัทธิธรรมแห่งสมทุกรูปเช่นถามว่าพระพุทธวจนะ ตรัสสั่งสอนอย่างไรภิกษุที่เป็นเดียรถีปลอมบวชก็ตอบเป็นธํานองสัตตะทิฐิบ้างพระเจ้าอาโศกก็ใช้พระราชอำนาจบังคับให้ศึกออกไปว่าครั้งนั้นศึกภิกษุเพศออกไปหกหมื่นคนฝ่ายภิกษุที่เป็นธรรมวาทีก็ตอบว่าพระพุทธวาทะตรัสสอนเป็นวิพัชวาที ครั้นชำระกำจัดภิกษุละกะเพทแล้วพระเจ้าอาโศกก็อารัธนาให้สงฆทำอุโบสถสังฆกรรมและพระโมคคลีบุตรติดสาเทวระเจ้าจึงถือโอกาสทำตติยะสังคยนาโดยราชูประถมของพระเจ้าจากักรพรรดิจำนวนพระอรหันต์ที่ถูกเลือกเข้าชุนมนมทำตติยะสังคยนาท้่นพันองณอาโศกการามนาครปาตาลีบุตร อยู่9ก้าเดือนจึงสำเร็จเวลาที่ทำตัติยะสังคยนานั้นพระโมคคลรีบุตรอายุได้72พันษาเป็นปีที่17แต่พระเจ้าอาโศกเสวยราชมาส่วนรัชการที่มหาวังสะให้ไว้ในเรื่องตัติยะสังคยนาว่าพระเจ้าอาโศกเสวยราชแล้ว9ปีเกิดเดียรถีพรอมนั้น ขัดกับข้อเท็จจริงในจารึกมากทั้งนี้เวลานั้นพระองค์ยังไม่ได้ประกาศพระองค์เป็นพุทธมามะกะเลย